ปฏิหารเก็บผลมะม่วงผลมะขามป้อมดอกปาริฉัดข้อ45ครั้นราตรีนั้นผ่านไปชดินอุรุเวลกัสปะได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นถึงแล้วจึงปราบทูลบอกพัฒการว่าค่าแต่มหาสมณนะได้เวลาแล้วพัฒหารเสร็จแล้วพระผู้มีพระภาคตรัสว่าไปเถิดกัสปะ เราจะตามไปทรงส่งชดินอุรุเวลากัะสป่าไปทรงเก็บผลมะม่วงผลมะขามป้อมผลสมอณนะที่อันไม่ไกลจากต้นว่าที่มีอยู่ในชมพูทวีปเสด็จไปสู่พบดาวดึงทรงเก็บดอกปาริฉัทแล้วเสด็จลงมาประทับนั่งในโรงไฟก่อนชดินอุรุเวลากัะสป่าเห็นพระผู้มีพระภาคประทับนั่งในโรงไฟจึงทูลถามว่า ถ้าแต่มหาสมณะพระองค์เสด็จมาทางไหนข้าพเจ้ากลับมาก่อนพระองค์แต่พระองค์เสด็จมาประทับนั่งในโรงไฟก่อนพระผู้มีพระภาคตรัสว่ากัตสปะเราส่งท่านไปแล้วก็ไปยังภพดาวดึงเก็บดอกปาริฉัตรและลงมานั่งในโรงไฟก่อนกัตสปะดอกปาริฉัตรนี้สมบูรณ์ด้วยสีและกลิ่นขณะนั้นแชดินอุรุเวลกัตสปะคิดว่า พระมหาสมณะมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากจริงถึงกับส่งเรากลับมาก่อนเสด็จไปยังภพดาวดึงทรงเก็บดอกปาดิฉัดแล้วเสด็จลงมาประทับนั่งในโรงไฟก่อนแต่ไม่เป็นพระอาหารหันต์เหมือนเราแน่